เเมื่อคืนวันที่30มีนาคมพศ2514โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณาศาสนาโสพลวัดบรวรนิเวศวิหารพระนาคารและคณะมอมหลวงจิตติอนุปงร่วมด้วยองค์แสดงคือพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปโน ว, วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดปุดรธานี การปฏิบัติสติเป็นเรื่องสำคัญคนทีม่มีสติอิรยาใดๆที่แสดงออกไม่น่าดูยิ่หน้าปฏิบัติเดียวกับการสังเกตสอดรู้จิตภายในตนไม่มีสติด้วยแล้วไม่ปรากฏผมอะไรขึ้นมา ถึงจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงก็สักแต่กิริยาที่แสดงออกทางกายเท่านั้นใจหาด้ยสัมพยุทธกับสติไม่สตินั่นแหละเดินเครื่องควบคุมจิตให้อยู่ได้ปัญญาเป็นธรรมาชาติที่คอยใส่ทองดูเหตุผลดีชั่วถูกหรือผิดประการใดสติคอย รับรู้อยู่กับใจของตนเสมอนี่คือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเจริญขึ้นภายในโดยสม่ำเสมอไม่เป็นรุ่มรุ่มดอนดอนการที่จิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมหรือวันนี้ดีวันนั้นไม่ดีเนื่องจากสติขาดว่าขาดตอน ความขาดวักขาดตอนแห่งสติเพียงเท่านี้ยังไม่พอขณะที่สติกับกิจขาดจากกันเป็นขณะที่กิเลสสังสมตัวขึ้นมาหรือแสดงตัวขึ้นมาในทุกระยะของการขาดสติสำหรับผู้รักษากจิตใจควรระวังสังเกตให้มาก ขณะที่ไม่เผลอที่เลตจึงจแสดงตัวออกมาได้แต่สติรู้ทันพอระงับดับลงไปเสียในขณะนั้นไม่ก่อตัวและเสริมกําลังให้มากขึ้นแต่ถ้าสติได้ขาดไปในตอนใดแล้วเป็นโอกาสของสิ่งไม่ดีจะแสดงตัวคู่อื่นมาและส่งเสริมกําลังขึ้นทุกระยะที่สติขาดไปมากน้อยชั่วระยะ ั้นหรือยาวเพียงไรเป็นระยะที่ฝายต่ำในสั่งสมตัวและส่งเสริมกำลังขึ้นทุกระยะขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทราบไว้ในการปฏิบัติตนไม่เช่นนั้นจะไม่ทราบความบกร่องแต่เราจะไปเหมาเอาความเพียรในกิริยาที่แสดงคือเดินจงกรมเป็นเท่านั้นชั่วโมงนั่งสมาธิเป็นเวลาเท่านี้ชั่วโมง ทำไมจิตใจไม่ปรากฏผลขึ้นมาเท่าที่ควรแก่เวลาที่ทํานี่เป็นความคาดหมายเอาเยอะเฉยปัจจุบันธรรมคือสติกับกจิตที่จะประกอบหน้าที่ในกิจการของตนที่กาหนดไว้ไม่สมบูรณ์ทําให้ขาดรักขาดตอนหรือขาดไปเสียเลยผลจึงปรากฏขึ้นมาตามความคาดหมายไม่ได้แล้วก็ย้อนมาตําหนิตน ว่าอำนาจวาสนาน้อยทำความเพียรไม่เป็นไปแต่ขณะที่ปอยตัวให้กิเลสสั่งสมและส่งเสริมกำลังขึ้นมาทุกระยะที่เถอนั้นเราไม่ได้คำนึงว่าวาสนาเราไปอยู่ที่ไหนในขณะนั้นจึงไม่นํามาเพื่อปฏิบัติกรรมจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ห่างออกไปหรือให้ระงับลงพอทางเดินของธรรมมีสติ กับปัญญาเป็นต้นได้เดินได้ความสะดวกจิตจะได้เป็นจิตที่ราบรื่นมีการทําความเทียนทําไม่สังเกตตนเองจะไม่ทราบความบกพร่องของตนว่าบกพร่องที่ตรงไหนแล้วทําไมจิตใจจึงไม่ก้าวหน้าไม่เจริญเท่าที่ควรจะเจริญก็เพราะความ เปิดช่องว่างในแก่ความเถลอสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละขณะนั้นเป็นขณะที่ไฟต่ำแสดงตัวขึ้นมาหรือทำงานได้ตามความต้องการของเขาเราจะทราบได้ในขณะที่เรามีสติแม้เช่นนั้นจิตยังปรุงได้ เาจิตเป็นธรรมชาติที่ปรุงอยู่เสมอที่ท่านเรียกว่าสังขารภายในได้แก่วความปรุงของใจปรุงอยู่ไม่หยุดยัง้งแต่นิสัยของจิตที่เคยปรุงมาอย่างใดโดยไม่ได้ดัดแปลงเท่าที่ควรแล้วต้องปรุงฝ่ายต่ําฝ่ายผูกมัดฝ่ายก่อกวรตัวเองให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเสมอฉะนั้นจิตจึงยังลงสู่ความสงบไม่ได้เนื่องจากสติไม่เพียงพอเป็นอันดับแรก อันดับที่สองปัญญาที่จะสอดส่องมองดูเหตุผลของจิตที่คิดไปในแงต่ต่างๆว่าผิดถูกดีชั่วประการใดควรจะแก้ไขดัดแปลงกันอย่างไรบ้างนี้ไม่มีกิเลสึงเดินได้อย่างอิสระเสรีคำว่ากิเลสก็คือความเศร้าหมองของใจนั่นเองจะเป็นอื่นเป็นใดมาจากที่ไหนมีอยู่กับใจของเราทุกๆท่าน เพราะเราเกิดมาด้วยอํานาจของกิเลสอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสคิดจึงเป็นไปโดยมากด้วยอํานาจของกิเลสทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นการดัดแปลงจิตใจของตนจะทําเพียงสักแต่ว่าทําจึงไม่ทันกันกับสิ่งที่เขาหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยความเคยชินของเขาต้องทุ่มเทกําลังลงให้มากเราอยากคิด สิ่งใดที่เป็นเรื่องฝืนธรรมความฝืนธรรมคือเรื่องของกิเลสปีนเกียวกันกันกบธรรมความอยากนั่นก็ทราบแล้วว่าเป็นกิเลสถ้าปล่อยให้คิดให้ตุงไปเรื่อยพอใจตุงไปเสมอก็ชื่อว่าเปิดทางให้เขาเดินอย่างสะดวกสบายแล้วผลก็ต้องมาย่ำายี่ยวให้รับความความไม่สบาย อยู่ที่ไหนก็ว่าตัวไม่สบายกเพราะตัวสั่งสมทุกจะเอาความสุขมาจากไหนกิริยาแห่งการสั่งสมทุกก็คือความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายในอดีตอนาคตบรรดาอารมณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับกิจซึ่งเป็นฝ่ายต่ำคิดได้ทั้งนั้นนี่คือการสั่งสมความเดือดร้อนผลก็คือความทุกข์ต้องแสดงขึ้นมาจนได้ไม่มีใครเป็นผูก ผิดสุขผิดทุก ข, ข, ข, ข, ขึ้นมาสำหรับเรานอกจากเราเป็นผู้จักการกรองจิตใจของเราด้วยสติและปัญญาเท่านั้นถ้านักบวชเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือนักปฏิบัติไม่มีเวลาจากทำความพยายามกำจัดปัดเตาสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากใจแล้วไม่มีใครจะมีโอกาสในโลก เราเป็นผู้มีโอกาสเต็มที่เวลางนี้เพราะฉะนั้นปรดทำความรู้สึกตัวว่าเราออกมาบวชนี่คือเป็นผู้บุดพ้นออกมาจากความยุ่งเหยิงใดๆเป็นผู้มีโอกาสเต็มที่เต็มแดงที่จะประกอบความภาพเคียนเพื่อกำจัดสิ่งที่เคยวุ่นวายภ า, ายในจิตใจให้ออกไปได้โดยลำดับอย่างน้อยจิตมีความสงบ ก็ยังพอให้สบายถ้าใจไม่สงบเลยแล้วอยู่ที่ไหนก็ถูกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฆราวาสไม่ว่าเป็นนักบวชยาแบกกดเข้าไปในภูเขาก็ไปร้อนอยู่ในภูเขาอยู่ที่ไหนก็ร้อนเพราะความร้อนอยู่กับหัวใจที่สั่งสมตัวขึ้นมาสั่งสมตัวกิเลสนั่นเองอย่าปลูกทำความกล้าหารนักปฏิบัติต้องเป็นผู้อดทน ไม่กำหนดไม่หมายสถานที่นั่นไม่หมายสถานที่นี้ไม่คิดถึงบ้านถึงเรือนไม่คิดถึงตึกรามบ้านช่องไม่คิดถึงหน้าที่การงานที่โลกทํากันไม่คิดถึงพ่อถึงแม่ไม่คิดถึงญาติถึงวงไม่คิดถึงเรื่องใดๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบความเพียรของตน แต่ให้คิดลงในหลักปัจจุบันที่ ท, ท่านสอนไว้เพื่อถอดถอนกิ่นยามกภายในจิตใจของตนให้ออกไปได้โดยนนดันบด้วยปัจจุบันธรรมคือสติกับกจิตกับปัญญาให้กลมกลืนกันไปทุกเอริยาบทคือยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นนี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรชอบชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรไปโดยสม่าเสมอ ผลจะพึงแสดงขึ้นมาโดยลำํำดับของความเพียรที่ติดต่อการที่ห้ามหรือการที่สอนให้คิดไปในสิ่งที่กล่าวผ่านมานี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องกังวลกิตใจทําความยอดท้อเกิดึให้เกิดขึ้นได้เช่นคิดถึงบ้านถึงเมืองดังนี้เป็นต้นเพราะต่างคนต่างมีบ้านบาง ต่างคนต่างมีเือนต่างคนต่างมีสถานที่อยู่ต่างคนต่างมีพ่อมีแม่ต่างคนต่างมีญาติมีวงอ์เมื่อ่อให้คิดถึงไปกับสิ่งต่งนี้แล้วใจจะต้องเป็นกังวลความกังวลไม่ใช่เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นเครื่องรบรวนกวนใจให้เดือดร้อนขุ่นมัวและเกิดความย่อท้อความเพียรเลยไม่เป็นทาล้มเหลวไปหมดนี่ จึงต้องให้ระมัดระวังให้เรากำหนดปัจจุบันเป็นสถานที่อยู่นี่คือบ้านของพระเราอยู่ในสถานที่ใดให้ถือที่นั้นเป็นที่ของพระเป็นบ้านของพระเป็นเดือนของพระเราอยู่กับท่านผู้ใดถือนั้นเป็นญาติเป็นมิตรเป็นเหมือนกับพ่อกับแม่เช่นเราถือครูถืออาจารย์ย่นเข้าไปก็ถืออัดถือทำเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นญาติเป็นมิเป็นสาโรหิตที่จะพึ่งเป็นพึ่งพายกันจริงๆแล้วนี่แต่ความเพียงนี้เท่านั้นให้ย่นจิตลงมาที่นี่อย่าไปคิดออกนอกลูกนอกทางซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะทำความอ่อนแอทางจิตใจหรือเกิดความท้อถอยไปเท่านั้นสิ่งใดที่ฝืนทำ่าหานคิดให้พยายามกำจัด ให้พยายามระมัดระวังรักษาจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมต้องฝืนสิ่งที่เคยคิดมาโดยมากสิ่งที่เคยคิดมานั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลสแจะทั้งนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แทบจะเต็มถ้าสติกับจิตสัมพยุต์กัน ไปทุกระยะนี่แน่ใจเหลือเกินว่าไม่นานเลยอย่างน้อยจิตต้องอยังเข้าสู่ความสงบได้แน่ๆเพราะสติมีเครื่องรักษาเครื่องป้องกันอยู่จะเกิดภัยมาจากไหนภัยก็คือความฟุ้งซ่านความไม่สงบความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นนั่นเองสาเหตุของภัยก็คือความคิดความปรุงความไม่ระมัดระวัง จิตใจทั้งตนปล่อยให้คิดไปในอารมณ์ต่างๆมีเป็นสาเหตุผลประกอบโภทุกขึ้นม า, เ, านเพ้ารุนเพื่อนก็ฉะนั้นความสงบกิงหาไม่เจอถ้าเราถ้าไม่มีความสงบแล้วยากเข้าใจว่าจะเป็นความสุขจะมีความสุขอะไรจะเหลือเฟือขนาดไหนก็เหลือเฟือแต่สิ่งเหล่านั้นแต่จิตใจจะบกพร่องความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่ล้นฝั่งไปเรื่ความทุกข์ความทรมานจิตใจความฟุ้งเฟอ้อเหอื่เหอเฟื อยู่ที่ไหนก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะใจดวงนั้นก่อไฟเผาตัวเองหาความร่มเย็นคือความสงบไม่ได้เราจะหาความสุขจากอะไรและที่ไหนในโลกนี้มีความสุขที่จิตเป็นสิ่งสําคัญเพราะความเดือดร้อนก็มีอยู่ที่นี่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากผู้ปฏิบัติถ้าไม่สังเกตจุดสําคัญแล้วจะปฏิบัติตนให้ถูกทางได้อย่างไรจุดสําคัญของการปฏิบัติก็คือจิตนั่นแหละเป็นตัวเหตุ เป็นตัวก่อเหตุทุกอย่างการรักษาจิตก็ชื่อว่าถูกต้องตามทางที่ดีผลจะเป็นความสงบขึ้นมาได้ถ้าเรานึกบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดก็ตามนึกให้ติดต่อสืบเรื่องกันไปเป็นลำดับไม่ยอมให้สติพากจากกันกับใจเลยและไม่ให้ใจพากจากคำบริกรรมนั้นๆ นี่ก็เป็นทางที่ให้เกิดความสงบได้อย่างแน่นอนประการที่สองถ้านี้เราบริกรรมบทธรรมนั้นๆเป็นความชินชาเกินไปเอาเราจะใช้ปัญญาสอดส่องมองทะลุไปตามสันนพางร่างก า, ายทั้งเบื้องบนเบื้องล่างข้างหน้าข้างหลังให้ท่องเที่ยวลุกขมูลอยู่ในนี้ ตามอาการต่างๆนี้แต่ให้มีสติตามจิตทุกระยะที่จิตสอดจองไปทางไหนคิดไปในอาการใดให้มีความรู้สึกไปทุกระยะนี่ก็เป็นทางให้จิตสงบได้และเป็นทางให้เกิดความแยบคายเห็นเหตุเห็นผลในสุลนกายที่มีอยู่ของตนได้ท่านเรียกว่าปัญญา อันนี้ก็เป็นทางให้เกิดความสงบได้ถ้าตั้งสติไม่ได้เป็นไปด้วยความจงใจไม่ได้เป็นไปเพราะความตั้งอกตั้งใจขะหมักขะเม่นต่อการตั้งสติระมัดระวังจิตใจจริงๆแล้วผลก็จะเป็นทานองที่เคยเป็นมาลุ่มๆดอนๆอย่างนั้นแล้วไม่ เกิดความอัศจรรย์อะไรขึ้นมาในตัวศาสนาท่ามาเป็นของประเสริฐเป็นธรรมชาติประเสริฐเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผู้ปฏิบัติตามศาสนาถ้าปฏิบัติอย่างจริงจังก็เห็นความประเสริฐนี่ท่านว่าไว้อย่างนั้นเราได้เห็นอะไรบ้างทุกวนันอะไรที่ท่านว่าประเสริฐการที่จะเป็นความประเสริฐขึ้นเป็นขึ้นได้เพราะสาเหตุอันใด สาเหตุนั้นเราได้สังเกตจอดรู้หรือได้ปฏิบัติดูอย่างเข้่ยมวดปว ด, ดขันอย่างชาัดเจนหรือไม่สาเหตุก็คือข้อปฏิบัติที่ได้อธิบายผ่านมาแล้วนั่นเองการทําอะไรทําให้จริงอยาให้เป็นนิสัยรอแหละคนมีนิสัยหล่อแหละทําอะไรไม่จริงไม่จริงกลาเป็นคนจับจดวอกแวกคลอนแคลงเหมือนหลักปากที่ควาย จะพิจารณาทำอะไรก็เป็นลักษณะนั้นนี่ท่านเรียกว่าหลักนิสัยอย่าให้มีในหัวใจของนักบวชคือนักปฏิบัติให้มีแต่ความจริงล้วนๆทำอะไรให้มีสติรู้อยู่กับตัวให้มีปัญญาสอดสองดูเหตุผลในสิ่งที่ทำในคำที่พูดในสิ่งที่คิดขึ้นมาควรหรือไม่ควรเมื่อไม่ควรแนวรีบลังง แล้วภัยจะมาจากไหนเมื่อได้ทําความระมัดระวังภัยอยู่เช่นนี้ภัยย่อมไม่เกิดภัยเกิดจากความประมาทคือความนอนใจความเผอสติความไม่มีสติภัยเกิดเสมอถ้าขณะที่มีสติแม้จะเกิดขึ้นก็ดับลงอย่างรวดเร็วจะเกิดขึ้นขณะที่ไม่มีสตินั่นแหละเป็นเรื่องสําคัญมาต้องทําความเข้าใจ กับความเผลอของตนไม่ใช่เป็นของดีถ้าปล่อยให้เผลอไปมากๆผลจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาเลยเลิศ ก, ก็เลิศแต่ทรรมเลิศแต่ศาสนาตัวรามันไม่เลิศแล้วก็ร้อนด้วยสติปัฏฐานสี่ที่ท่านอธิบายไว้นั้นมีอยู่ที่ไหน คงต้องสติปัฐานสีอย่างแท้จริงคืออะไรกายนั่นก็ถูกเราอยู่แล้วเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆทั้งทางกายและทางใจก็มีอยู่กับตัวของเราจิต ค, คือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงก็มีอยู่กับเราทำรวมทั้งหมดดีชั่วสุขทุกข์ตลอดอารมณ์รวมกันหมดทั้งหมดก็มีอยู่กับเรานี่ท่านเรียกว่าสติปัฏฐานสี เราจะเดินตามอาการใดในสติปัฏฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมเราตั้งใจดำเนินเราตั้งใจปฏิบัติด้วยความตรงใจแล้วสติปัฏฐานสี่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความรู้สึกของเราที่ทราบซึ่งเยู่เนื่องกันไปหมด เราอยากเข้าใจว่าสติปัฏฐานสีนี้มีอยู่คนละแห่งละหมรู้กายแล้วจะต้องค้นหาเวทนาไปรู้เวทนาที่จุดโน้นไปรู้ธรรมที่จุดนี้รู้จิตที่จุดโน้นไม่ใช่อย่างนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาอาริยสัจก็เช่นเดียวกันเราอย่างลงเพียงจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นโดยความมีสติด้วยความจงใจแล้วจะกระจายไป ถึงทั้งสี่อาการกาเวทนาจิตทรรมที่ท่านเรียกสติปัฏฐานสติฟังแต่คำว่าสติปัฏฐานที่ตั้งของสติถ้าสติเราตั้งลงที่นี่แล้วใจไม่มีเวลาไปคิดเรื่อง อ, อื่นสังสมปัจจุบันขึ้นมาผลก็คือความสงบใจจะต้องปรากฏขึ้นแน่นอน ให้มีความเด็ดเดี่ยวอาหานสำหรับนะักปฏิบัติอยาทอแท้อ่อนแอต้องเป็นผู้เข้มแข็งทำอะไรให้มีสติตรวจอปัญญาเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหน่การที่สอนเรื่องปัญญาให้คิดค้นไตรตรองทั้งภายนอกภายในอยู่เสมอนั่น ก็เพื่อจะให้คินต่อจริษณ์นิสัยให้ปัญญาได้มีกำลังเคยกินต่อตัวเองแล้วก็มีความฉลาดรอบคอบพอตัวเมื่อย้อนเข้ามาพิจารณาภายในยก็สามารถจะแทงทะลุปไปได้ตามกำลังของปัญญาการนั่งก็ให้สังเกตถ้าจะมีอาการง้องงวง ให้รีบเปลี่ยนทันทีลงไปเดินจะมั่งเปลี่ยนสถานที่ บ, บ่อยๆเปลี่ยนอาการของคนคืออยาบทของคนเสม อ, อยาปล่อยให้ง่วงอยู่เฉยๆถ้าปล่อยให้ง่วงเฉยง่วงแล้วก็หลับเท่านั้นเองไม่ไปอื่นนอกจากไปจากง่วงก็หลับถ้า ต, ตั้งใจจะหลับก็ให้หลับเสียด้วยการตั้งใจนอน อย่านั่งภาวนาด้วยความหลับแล้วตื่นขึ้นมาว่าเราเรานั่งภาวนานั่งภาวนาอะไรนั่งหลับนี่อันหนึ่งก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันคําว่าสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อใจไม่เป็นสมาธิเลยจะหาความมั่นคงมาจากไหนปัญญาถนัดความฉลาดเราก็ไม่นํามาใช้เพอให้เกิดประโยชน์ ขณะปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสเราไม่นำมาใช้เพื่อถอดถอนกิเลสก็ไม่หลุดลอยไปเพราะอานาจของปัญญาพอให้เห็นเป็นสักขีพยานบ้างเลยนี่ก็เป็นโมฆะเอานั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรจรึงควรทําความเข้าใจกับตนเสมอในความเพียนค่าต่างๆสาคัญก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือ ตามเข้มแข็งไม่ย่อท้อจะยากลำบากเพียงไรก็ตามชื่อว่างานแล้วต้องลำบากมัง่งแต่เราหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากงานเป็นเรื่องสำคัญนักก็ต้องเอาเบาก็ต้องสู้กันทางนั้นชื่อว่านักต่อสู้หากใจได้รับความสงบเย็นบ้างก็พอมีเรือนดู มีที่อยู่ที่อาศัยก็ให้สะดวกทํามยไปในวันหนึ่งวันหนึ่งหายใจไม่มีความสงบเลยแล้วลำบากมากร้อนทั้งวันทั้งคืนพญานุงชากันพยายามทําใจให้มีความสงบเยือเกเย็นเป็นอย่างน้อยแล้วพยายามไถ้ควนด้วยปัญญาเสมออย่านอนใจเพียงร่างกายนี้ก็ขอพิจารณาให้เห็นตลอดเถด ปัญญาก็จะแหลมคมหรือทำนี้ทำนานไปเองเราอยากเข้าใจว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมาเอาเฉยๆโดยไม่พาคิดพาพิจนารณาในเบื้องต้นเสียก่อนภาพคิดถูกก็ต้องพยายามพาคิดต้นดูการก็ดูให้ชัดดูทั้งทางในดูทั้งทางนอก เรียกเปลี่ยนกันไปมาดูให้เห็นชัดเจนว่ามีอะไรบ้างอยู่ในกายนี้ตะกีตลบก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่ความชำนิํำนานความคล่องแค่วของปัญญาเมื่อพิจารณาอยู่เสมอปัญญาย่อมคล่องแควไปเองแม้แต่ส่วนละเอียดยิ่งกว่ากายนี้ปัญญายังสามารถแทงทะลุไปหมดพวกเวทนาพวกสัญญาสังขานวิญญา น, นี้ละเอียดยิ่งกว่ากาย ปัญญายังสามารถแทงทะลุปไปได้ปัญญาไม่มีสิ้นสุดสำหรับผู้พิจารณามีความแยบยไปโดยลำดับครับต่อยให้อยู่เฉยๆก็ไม่เกิดต้องพาคิด่าพิจารณาเสมอปัญญาก็ได้ยินแต่ชื่ออันนี้ที่ลำบากมากก็จะทำาย มันไม่เกิดกับจิตกับใจเอาเลยสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดกิเลสมันจะสงบตัวลงไปหรือหลุดลอยไปได้อย่างไรก็มีสมาธิกับปัญญาเนี่ยจะ ท, ทํากิเลสให้หมอบลงไปหนึ่งคือสงบตัวลงไปและ ท, ทํากิเลสให้หลุดลอยไปหนึ่งเพราะสมาธิกับปัญญาเป็นหลักสําคัญ หาผู้มีความอาจฐานเราจะเอาให้ได้หลักเป็นหลักเกณฑ์ในเพียงคืนเดียวเท่านั้นนี่ยังแน่ใจว่าจะได้แต่หมายถึงปัญญามีด้วยความอาจฐานมีด้วยเอากันเวลาจนกรอบคือเวลาทุกขเวทนาครอบงำมากๆขณะที่นั่งนานๆ นี่ครัเป็นเป็นเวลาที่สำคัญมากถ้าปัญญาได้หมุนเิี้ยวอยู่กับตัวทุกขเวทนาไม่ยอมให้หนีจากที่นั่นต้องรู้กันทีเดียวแล้วเห็นฤทธิ์เห็นเดชกันว่าปัญญามีความสามารถแค่ไหนทันว่าทุกเป็นของจริงนั้นจริงอย่างไรบ้างเมื่อปัญญาเข้าถึงแล้วเราก็ทราบทัดว่าทุกเป็นของจริงประจักษ์ใจแล้วก็ไม่สงสัย แล้วยังมีความอาถรรพ์อีกด้วยในวาระต่อไปที่เราจะต้องต่อสู้กับทุกขเวทนาจนขณะวาระสุดท้ายคือจะตายก็ไม่หวั่นไหวเพราะปัญญาได้ยังถึงความจริงของทุกทุกกากาเป็นของจริงดังที่ท่านว่าไว้ว่าทุาากขังอริยสัจจงทุกเป็นของจริง คือปัญญาต้องอยังให้ถึงความจริงของทุกจริงๆแล้วทุกก็ไม่สามารถจะมาทำอะไรจิตใจได้ใจก็จริงทุกก็จริงกายทุกส่วนก็จริงอาการของร่างกายทุกส่วนจริงไปหมดถ้าปัญญายัางเข้าถึงความจริงไม่มีสิ่งได้สิ่งหนึ่ง เข้ามาบีบบังคับจิตใจให้รับความเดือดร้อนในขณะที่จิตก็จริงทุกก็จริงปัญญาก็จริงต่างอันต่างจริงนั่นแหละเราเห็นฤทธิ์กันเวลานั้นเห็นกำลังความสามารถของเราเห็นเวลานั้นเห็นเรื่องของทุกข์ว่าเป็นของจริงก็เห็นชัดในเวลานั้นแล้วเกิดความอาจถามเวลาพิจเจนาทุกรอบลงแล้ว หนึ่งทุกดับไปในขณะนั้นไม่มีเหลือเหลือแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งเป็นของอจจัศจรรย์สองแม้ทุกไม่ดับทุกก็ไม่สามารถจะทําอะไรแก่จิตใจได้ทุกก็เป็นทุกข์คือเป็นความจริงอันหนึ่งปรากฏอยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งหมันใจก็เป็นความจริงอันหนึ่งปรากฏอยู่ตามความรู้ของตนกายก็เป็นความจิงอันหนึ่งที่ปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นนี่เดียว ต่างอันต่างจิตถ้าใจได้จริงด้วยการพิจารณาอย่างนี้แล้วต้องจริงอย่างประเสริฐที่เป็นของอัจจันย์อยู่มากมายถ้าจริงเพียงสัก์ว่าความคาดความหมายนั้นไม่เป็นท่าให้จริงด้วยการเห็นประจักษ์เนื่องมาจากการพิจารณาให้ถึงกันจริงๆโดยมากเวลานั่งภาวนา ทุกเวทนายังไม่เกิดก็ทำท่าอาจฐานจะสู้ให้ตายพอทุกเริ่มเกิดเท่านั้นละหงายไปเลยนี่ี่ความคิดของเรามันเปลี่ยนแปลงได้อย่างนีงเลยลืมหมดคําตั้งจิตตั้งใจเคยมีคนเข้ามาเล่าให้ฟังเขาอ่านประวัติท่านไยจานมั่นเห็นที่ท่านเด็ดไปเห็นตอนที่ท่านเด็ดเดี่ยวอาถรรพ พอปรับปรับวางหนังสือวันเราก็จะเอาจริงๆเอาเป็นอาตายเหมือนท่านทาท่ากล้าหารพอดูพอเข้าไปนั่งยังไม่ถึงชั่วโมงถูกทุกมันทุกมันบีบตรงนั้นบีบตรงนี้โดดออกเลยเขามาเล่าให้ฟังเองนะและลืมหมดความตัดความจริงที่ตั้งไว้ต่อกันลืมไปหมดพาอสู้ทุกไม่ได้ยอมให้ทุกเหยียบย่าจนแท่นมันลังคือสมาธิ ทำลายไปไม่มีเหนือนะถ้าปากหลักสู้กันจริงๆสัญญาไม่ยอมให้หนีจากห่างจากความทุกข์ไม่หนีจากกายแล้วยังไงต้องรู้รู้ในขนาดนั้นเป็นความรู้ที่อาฐานมากและเป็นความรู้ที่ฝังใจไปนานหากไม่รู้ขึ้นมาอีกก็ ต้องฝังใจไปเป็นเวลานานเป็นสักขีพยานให้เกิดความอาฐานเสมอแต่คนเราเมื่อได้พิจารณาเห็นความจริงขนาดนั้นแล้วย่อมคืบหน้าเสมอไปจนเป็นความเคยชินกับสินทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเลยไม่กลัวนั่นนักปฏิบตัติถ้าลงมีสติรอบคอบขอบคิดปัญญาแทงทะลุไปหมดแล้วเราจะกลัวอะไรเรื่องความตายก็ไม่มีอะไรเป็นความหมายที่น่ากลัว ถ้าพิจารณาให้ถึงความจริงเป็นแต่เพียง ว, ว่าส่วนผสมของาธาตุนี้สลายตัวลงไปอยู่ตามสภาพเดิมของเขาเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรคิดหายไปพอจให้เกิดโดยมากก็กลัวทุกข์นี้เท่านั้นทุกข์ก็ได้พิจารณาให้เห็นเป็นความจริงหมดแล้วกลัวทุกข์อะไรหรือกลัวอะไรจะคิดหายธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปแล้วไม่มีคิบหายมาจากไปไปที่ไหนหนึ <c oughs> ่งจิตผู้ที่รู้ผู้ที่กลัวอยู่นี้ก็ไม่ได้คิบหาย แต่กลัวเพราะความรุ่มหลงของตนต่างหาเมื่อพิจารณาให้เห็นกันอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วความกลัวนั้นก็หายไปจิตก็จริงจิตผู้ที่กลัวก็คือผู้ไม่ตายก็เห็นทัดเราจะเห็นได้ในขณะที่เราพิจารณาลงถึงคิดถึงขินกันจริงๆถึงเหตุถึงผลจริงๆเป็นความฉลาลายปรากฏชัดกับปัญญาของรเราคือร่างกายของเรานี่ปรากฏมันแตกลงไปด้วยการพิจารณาแตกลงไปแล้วส่วนไหนที่ แต่เป็นธาตุอะไรก็สลายตัวลงไปสลายตัวลงไปเห็นประจักษ์กับบรรดาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปหมดในบรรดาธาตุที่รวมกันอยู่ในร่างกายของเรานี้สลายไปหมดแล้วจิตมันไม่ได้สลายปรากฏว่ากายหายไปหมดในขณะที่พิจารณารู้ถึงขนาดนั้นแล้วแต่จิตไม่หายกายนี่หายจากความรู้สึกไม่มีปรากฏว่าไม่มีเลยจิตเหมือนอยู่กับอากาศ แต่ก็ไม่ได้มีความหมายว่าจิตจะอาศัยอากาศอยู่หากเป็นความรู้ล้วนๆเหลืออยู่เพียงเท่านั้นกายหายไปหมดจากควา ม, มนั่นแล้วจิตจะหายไปไหนจยิ่งเป็นเวลาที่เราจะได้รู้จิตชัดเจนว่าจิตนี้คือผู้ไม่หายผู้ไม่ตายเป็นแต่เพียงว่าตื่นเงาตัวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเพราะการไม่ได้พิจารณาสังเกตจดจตัวเองเท่าที่เควรหรือไม่ได้จดสู้ตนเองให้เห็น ามหลักความจริงของตนที่มีอยู่ภายในจิตเท่านั้นมีการพยายาิจารณากรรมฐานพิจารณาอย่างนี้ท่านว่าอากาลิโกหมายถึงอะไรเหตุกับผลมีอยู่ตลอดเวลาถ้าคิดค้นขึ้นมาใชา้ไม่ด้สูญไปจากโลกเหตุกับผลก็คือทำนั้นและเวลานี้อยู่ที่ไหน ไม่ได้อยู่กับการไม่อยู่กับสถานที่ใดๆอยู่กับตัวของเรานี่ยท่ากันพิจารณาให้หลวงเห็นอะไรก็ตามเถอะถ้าลงได้เห็นใจแล้วลบล้างกันหมดเนี่ยสําคัญได้เห็นใจแล้วลบล้างกัหมดหายสงสัยทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างมันปลอยไปหมดความดูดดื่มกับสิ่งใดๆก็ตามปลอยไปหมด แต่เวลานี้ยใจกำลังถูกยื้อแย่งแข่งดีกับฝ่ายต่ำโดยมากเรายอมแพ้ให้เขาเอาไปครองอยู่เรื่อยๆไม่นำมาครองได้สักทีเพราะความทอดแท้อ่อนแออุบายสติปัญญาก็ไม่ทันกับคนมายาของที่เหล็กเราจึงต้องฉุดลากเอาจิตไปครองทุกวันเจ้าของก็บ่นว่าทุกว่าร้อนว่าจิตไม่สงบว่ายุ่งเหยิงวุ่นวาย น, น่ะ ไม่ตามยื้อแย่งกับเขามาได้ความสงบสึดเราก็ไม่เด็กดรับเรามาบวชในศาสนาก็คือรบบขาดศึกนั่นเองขาสึกภายในใจของเราขาสึกมีหลายด้านรอบใจนั่นแหละเพราะมันคิดขึ้นมาทุกๆระยะโดยมากมีแต่ขาสึกถ้ามให้มีใจมีสตินอกจา ถ้าใจมีสติรักษาหรือใจมีลกมีฐานนับแต่ความสงบขึ้นไปนจะชอบคิดทางอับทางทำเครื่องแก้เครื่องถอดถอนที่ดกไปโดยสม่ำเสมอยิ่งจิตมีความมั่นคงแล้วมีปัญญาเฉลียวฉลาดมากขึ้นเพียงไร ย, ยิ่งจะคิดแต่เรื่องถอดเรื่องถอนอะไรเข้ามาสัมผัสจิตจะทราบกันทันทีทันทีเพราะจิตกับสติ กับปัญญาเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือใกล้คิดติดกันอยู่ชิ้นใดที่มาสัมผัสพอใจรับรู้ก็เท่ากับสติปัญญาเท่ากับปลุกสติปัญญาให้ตื่นขึ้นพร้อมกันมันก็ทันกันนี่แหละที่ท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเราจะหมายที่ไงถ้าหมายถึงสติปัญญาเข้ารวมตัวอยู่กับใจอันเดียวอะไรมาสัมผัสทอจิตรับรู้ก็เท่ากับ ปลูกสติปัญญาไปพร้อมกันทุกๆระยะให้รู้ทันกันทุกระยะนียเทนั้นไม่มีมหาสติมหาปัญญาที่ไหนการฝึกหัดจิตตั้งแต่ขณะที่ล้มลุกคลานไปจนกระทั่งถึงโน่ะฝึกได้ถ้าความพยายามไม่ถอยหลังถ้ามีความเข้มแข็งต้องเป็นไปได้แล้วคิดดูตั้งแต่เด็กเกิดมาที่แรกมีความรับผิดชอบตัวได้เมื่อไหร่ ต้องอาผู้ใหญ่ทั้งนั้นแม้ตัวเองก็ไม่ทราบว่าปเป็นอะไรและทำไมถึงเติบโตขึ้นมาเป็นเราเป็นทันไนะน้ที่ดูเพราะการบํารุงเป็นสิ่งสำคัญการบํารุงการรักษาความปลอดภัยการบำุงด้วยปัจจัยต่างๆที่เปเติบโตขึ้นมาจนะิตใจก็รอความการบํารุงจากผู้ปฏิบัติอยู่สเสมอ เราจะอะไรไปบำรุงหรือจะเอาไปมีแต่เครื่องทำลายอย่างนั้นถ้าเครื่องทำลายก็เดือดร้อนถ้าเครื่องบำรุงก็สบายสงบเย็นใจได้สงบต้องเย็นไม่ต้องหาความสุขมาจากที่ไหนพอสงบแล้วก็เป็นความสบายได้ที่ไม่สบายเพราะความไม่สงบของานั้นก็กวนตัวเองตลอดอยู่ละแล้วก็ว่าอันนู้นมาทําให้เป็นอันนี้มาทําเป็นความจริงแล้วไม่มีอะไรมาทำนะเป็นความปรุงของจิต ควรทำลายตัวเองเถอะนะพิจารณาเข้าให้ถึงที่ทนี้ลองดูจะมีอะไรมาทำลายจิตมารูปมาทำลายเสียงมาทำลายกาลยกิ่นบ้างจิตไปคิดถึงรูปถึงเสียงถึงสลิ่นถึงรสเป็นความปรุงของจิตความสำคัญมั่หมายของจิตต่งงางอากแล้วก็ควรตัวเองว่าเป็นเพราะจิ่ง น, นั้นเป็นเพราะสิ่ง น, นี้ไม่ได้ว่าเป็นเพราะความปรุงความคิดความสำคัญมันหมายขอนจึงไม่เห็นโทษของตนแล้วหาทางแก้ไขไม่ได้ถ้าเราทราบ